ทั้งนี้ความหมายของวินัยจะชัดแจ้งสมบูรณ์ต่อเมื่อสัมพันธ์เชื่อมต่อกับความหมายของธรรมธรรมเป็นส่วนเนื้อหาและหลักการตั้งแต่ความจริงของธรรมชาติตามกฎธรรมดามาจนถึงหลักความประพฤติและความเป็นอยู่ที่เป็นวิถีชีวิตอันประเสริฐวินัยเป็นภาคปฏิบัติที่นำเอาเนื้อหาและหลักการนั้นไปจัดสรรให้ความประพฤติและความเป็นอยู่แห่งวิถีชีวิตอันประเสริฐ คือพรหมจริยะนั้นเกิดมีเป็นรูปร่างจริงจังขึ้นและสามารถแผ่ขยายกว้างขวางออกไปในสังคมมนุษย์พูดอีกอย่างหนึ่งว่าวินัยคือเครื่องมือของธรรมสำหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชนให้เป็นไปตามหลักการและความมุ่งหมายของธรรมหรือเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระบบแห่งวิถีชีวิตอันประเสริฐให้เกิดมีเป็นจริงขึ้นธรรมมุ่งเนื้อหา เน้นที่บุคคลวินัยมุ่งรูปแบบเน้นที่ระบบถ้าลงลืมความหมายที่ลึกซึ้งของวินัยไม่นำเอาเจตนารมทางสังคมของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในวินัยมาใช้ปฏิบัติไม่นำเอาสารัธรของวินัยออกมาจัดดำเนินการในด้านวิธีการและไม่จัดสรรระเบียบแบบแผนแห่งความเป็นอยู่และความประพฤต หรือระบบชีวิตแบบพุทธชนิดที่สมสมัยปฏิบัติได้จริงขึ้นมาเผยแพร่พร้อมไปกับการแสดงเนื้อหาและหลักการของธรรมก็น่ากลัวว่าพระพุทธศาสนาจะต้องประสบภาวะการที่เป็นผลต่อไปนี้คือ1เขตแดนแห่งการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาหรือวงการดำเนินชีวิตแบบพุทธจะรัดตัวแคบเข้า และจะเป็นแต่ฝ่ายรับไม่ได้เป็นฝ่ายรุกเลยทำให้ชุมชนพุทธถอยร่นห่างออกไปจากสังคมมนุษย์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เ, เหมือนหนีไปรวมกันอยูบ่บนเกาะที่ถูกน้ำล้อมรอบขาดจากชาวมนุษย์อื่น 2. สภาพแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจปรุงแต่งและแรงกระทบทางปัจจัยภายนอกอย่างอื่น โดยที่พุทธศาสนาแทบไม่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ควบคุมด้วยเลยและเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาสภาพเช่นนั้นก็จะมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาซึ่งอาจเป็นไปถึงขั้นที่การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาไม่อาจเป็นไปได้เลยหากเป็นไปเช่นนั้นก็อาจนับได้ว่า เป็นการปล่อยปละละเลยตกอยู่ในความประมาทอย่างหนึ่งของชาวพุทธเองข้อกําหนดแห่งประเพณีไทยเกี่ยวกับการบวชเรียนที่ว่าเด็กชายไปเรียนหนังสือที่วัดบวชเนนบวชพระเรียนหนังสือจะมีเย่าเรือนต้องได้บวชเรียนเป็นคนสุกก่อนนับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการสร้างวินัยคือระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของสังคมไทยในอดีต ซึ่งได้ช่วยให้วงการดําเนินชีวิตแบบพุทธและพระพุทธศาสนาเองได้เจริญมั่นคงแพร่หลายไปในสังคมไทยเป็นอย่างมากความเสื่อมลงของระบบชีวิตหรือวินัยส่วนนี้ได้มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในทางที่ไม่น่าพอใจอย่างไรคงจะเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ไม่ยากประเพณีนี้เหมาะสมหรือไม่มีแง่เสียหรือบกพร่องอย่างไรไม่เป็นข้อที่จะวิจารณ์ในที่นี้ ถ้าไม่เข้าใจสาร ะ, ะของวินัยและเจตนารมของศีลในทางสังคมไม่แต่เพียงเจตนารมนั้นจะไม่ขยายกว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมพุทธฝ่ายเครือข่ทั่วไปด้วยเท่านั้นแม้แต่เจตนารมส่วนที่มีอยู่แล้วในวินัยของสงฆ์เองก็จะเลื่อนลางหดเหลืออยู่เพียงในสภาพของพิธีกรรมด้วยเหตุนี้หากจะฟื้นฟูการปฏิบัติวินัย การเน้นแต่เพียงความเคร่งครัดด้านรูปแบบอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอภารกิจสำคัญที่ยังไม่ได้ทำสืบต่อจากเดิมหรือได้หดหายไปแล้วยิ่งกว่าเดิมซึ่งควรฟื้นฟูก็คือการรักษาเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลในวินัยของสงฆ์ให้คงอยู่ไม่เลือนลางหดหายไปจนเหลืออยู่แต่ในรูปของพิธีกรรมแห้งๆภารกิจสำคัญนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือ การขยายเจตนารมทางสังคมของศีนนั้นให้กว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมคฤหัสรอบนอกด้วยโดยจัดสรรวินัยที่เป็นระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของชาวบ้านให้เกิดมีขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการลสมัย